คอสคอสเป็นไงม้างพวกเขาคอสนั่งในนี้บ้างเปล่ายกมือให้หลวงพ่อดูสิ เ, เยอะนะ <c oughs> จำนวนมาก ไม่มีรถตู้จากอุบลพวกอุบลก็ใช้ได้นะกลุ่มคนจีนมีจุดอ่อนอยู่นะชอบคิดเอาพวกพิษณุณีอะไรนี่ชอบคิดคิดเอาให้รู้สึกเอาคอรู้สึกเอานะใจเราสุขใจเราทุก ใจเราดีใจเราไม่ดีเลยคอยรู้สึกเอาการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเดี๋ยวถามก่อนเสียงหลวงพ่อออกไปเปล่าหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงเขาเป็นใส่นัดอักเสบนะโอ้โหปิดไปหมดละเหลือได้ยินแววๆอ่ะเลยคุมระดับ ความดังของเสียงตัวเองไม่ถูกไม่รู้เสียงออกแค่ไหนคือเป็นกรรมของพวกเรานะหลวงพ่อไม่แข็งแรงก็เวทกรรมหรือรองเดินมิตุนาไปลาวเทศหนักมากต่อกันสามวันวันหนึ่งหลายๆรอบ นี่หลวงพ่อให้คีโมมารา่างกายมันจะไม่แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปมันจะเส้นสิทธิมากกลับมาเลยเป็นไซนัสนี่สิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะจับหลักให้แม่นๆช่วยตัวเองให้มากๆ่ะวางพึ่งครูบาอาจารย์ น, ะนับวันยิ่งลำบาก ครูบาอาจารย์ก็หมดไปสิ้นไปในยุคนี้นะเหลือครูบาจารย์แท้ๆอยู่สักเท่าไหร่นึกไม่ออกเหมือนกันดูแล้วไม่มากแล้วไม่เหมือนยุคก่อนสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยครูบาจารย์ที่บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยมีเยอะมาถึงวันนี้ร้อยรอเต็มทีแล้ว สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบ้านเมืองมันไม่ได้ร่มเย็นสงบสุขแบบยุคโบราณนะเกิเป็นสังคมเกษตรหมดหน้านาก็ว่างคนไม่มีอะไรทำภาวนากันมีเวลาว่างเยอะภาวนาคนนิทรรกดีก็ภาวนาคนรักชั่วก็กัดปลาตีไก่อะไรไป เล่นการพนันไปมาถึงรุ่นเราเนี่ถูกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากวันวันหนึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารงั้นโอกาสที่เราจะไปนั่งสมาธิทำความสงบขึ้นมาอะไทำยากกรรมฐานที่พอมอพอดีสำหรับคนยุคเรา คือการดูจิตดูใจตัวเองว่าสามสกว่าปีก่อนนะหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยต่อไปการปฏิบัติจะรุ่งเรืองในเมืองการดูจิตนีจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกอย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อก็ฟังเฉยๆไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่เขารบครูบาอาจารย์ไม่เถียงเท่านแล้วยังนึกไม่ออกมันจะรุ่งเรืองได้ไง กรรมฐานมันมีแต่คนดูกายไม่มีคนดูจิตมหลวงพ่อเนี่ยดูจิตเอาท่านสอนมาถึงวันนี้นะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสังคมมันเปลี่ยนสังคมชนบทแท้แท้แทบไม่มีเหลือแล้วอย่างที่นี่แต่ก่อนก็เป็นบ้านนอกกันอยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสังคมเมือง นั่งรถไปเหรอในเมืองไทยอ่ะนั่งรถไปที่ไหนที่ไหนก็เต็มไปด้วยบ้านริมถนนเต็มไปด้วยบ้านเต็มไปด้วยเมืองชุมชนกลายเป็นสังคมเมืองไปหมดละเช้าขึ้นมาคนก็ออกจากบ้านไปเข้าโรงงานในหมู่บ้านลองไปดูตอนกลางวันนะวันธรรมดามันเหมือนบ้านพราง หรือคนแก่เฝ้าบ้านอยู่ไม่กี่หลังเพราะนั้นเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เด็กก็ไปทางหนึ่งคนหนุ่มคนสาวก็ไปทำงานเช้ามารถตรงงานก็มารับไปหมดในชีวิตมันเปลี่ยนขนาดนี้มันไม่มีเวลามากที่จะมานั่งสมาธิกรรมฐานสมัยก่อนเน้นที่นั่งสมาธิ จิตสงบแล้วพิจารณากายมาถึงวันนี้มันไม่มีทางสงบเลยมันมีแต่ความวุ่นวายแต่พระพุทธเจ้านะท่านมีภูมิความรู้มากท่านสอนธรรมะไว้กว้างขวางมากธรรมะบางอย่างเนี่ยไม่ต้องทำสมาธิก่อนคือการดูจิตเนี่ยจิตตานุพสนาเนี่ยเหมาะกับ วิปัสนาญาณิกคือเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังในขณะที่กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถ า, ายานิกทำสมาธิก่อนแล้วมาดูกายนี่ถ้าทำสมาธิไม่ได้มาดูกายมันก็ไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่ไม่มีคุณภาพแต่การจะดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเราไปทำสมาธิก่อนการดูจิตจะไม่ค่อยมีคุณภาพ จิตมันจะว่างนิ่งนะอยู่อย่างนั้นหลายหลวันไม่สแสดงใจรักให้เราดูแต่จิตใจของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยกลับกรอกยอกย้อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันทั้งวันเปลี่ยนตลอดเวลาตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึก จิตก็เปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะหุนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปทําจิตให้นิ่งทําไม่ไหวหรอกฟุ้งซ่านซะขนาดนี้นะอยู่ๆไปทําจิตให้นิ่งทําไม่ได้ก็ตั้งสติเข้าสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเราเห็นหน้าคนนี้เราชอบรู้ทันว่าชอบ S <S <an> <S เห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวรูว้วกลัวเนี่ยรู้ทันจิตไปตามองเห็นความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจนะีมีสติตามรู้ไปหูได้ยินเสียงเนะช่นมีเสียงหนูหูเราจะนอนหมามาเห่ากลางคืนหมาก็แปลกนะกลางคืนมันเหงามันชอบเห่าชอบผอนกลางวันมันนอนเงียบ ส่วนคนนะกลางวันวุ่นวายก็คืนอยากนอนก็ามามาเห่านะเราก็โมโหสิเราจะนอนมาเห่าอยู่ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีศัตรูเว็มาข้างบ้านอยู่ตัวหนึ่งนะตอนเป็นโยมกลางคืนเนี่ยโอ้ยจะเหา่าเห่าตลอดเวลานะเราจะโงกไปดูมัมนเห่าพระจันทรนะ์มีอะไรมันทาไวไปหมดอนะโอ้ยวันหนึ่งโมโหมากนะ น้วจะทํำยังไงไล่มันก็ไม่ไปมันไม่ไปเห่าข้างบ้านมันนะมันมาเห่าริมรั้วติดบ้านเราเลยถ้ามันเห่าแถวบ้านมันนะเจ้านายมันจะ ไ, ไล่ตีเนี่ยใจโมโหนะก็คืนเนี่ยกัดกระมาเลยมาเพชรใจเนี่ยถ้าเราจะทําสมาธิแล้วมาเห่าปอกปอกปอกขึ้นมานะทําให้ลงละ ใจมันก็เพื่อมากแต่ใจมันโกรธได้ยินเสียงงูได้ยินเสียงใจโกรธรู้ว่าใจโกรธ ด, ดูลงไปเราเห็นนะความโกรธเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็โกรธใหมหนะ่ขยับขึ้นขยับลงอะภาวนาได้เยอะมากใลวันวันหนึ่งนะกลางวันก็วุ่นวายในการทํางานขึ้นรถเมล์ไปทํางานรถก็ติด จะไปทันยังไม่ทันยังไม่รู้ออกจากบ้านก็แต่มืดแล้วนะกลัวจะไปไม่ทันอีกกังวลใจรั่วกังวลนกังวันก็วุ่นวายกลางคืนก็ไปทะเลาะกับหมาอีกก็วุ่นวายถ้าหลวงพ่อจะเน้นที่การนั่งสมาธินะหลวงพ่อทําได้เพราะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กอยากสงบก็สงบได้เลยแต่อพวกเรามันทำไมได้หรอกหน้าตา ดูแล้วโงเ่เฮงไม่ให้เลยเรื่องสงบนะอย่างเนี้ยคนหน้านี้นะฟุ้งจะตายไปงั้นดูที่จิตของเราไปเลยจิตเราสุขก็รู้จิตเราทุกก็รู้จิตเราดีก็รู้จิตเราชั่วก็รู้จิตมันโลบจิตมันโกรธจิตมันหลงรู้ไปเรื่อยการที่เราคอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองเรียกว่าเรามีสติและไม่ใช่สติธรรมดาเป็นสติปัฏฐาน สติธรรมดาเนียรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปสติปัฏฐานเนี้ยรู้ความปรากฏอยู่ของรูปนามกายใจมันจะต่างกับสติทั่วไปอย่างข้างขวดเล่ า, อาชอบเขียนนะดื่มสุราทำให้ขาดสติรู้ว่าขาดสติแล้วทำมาขายทำไมนะยังอยากขายอยู่ดื่มสุราทำให้ขาดสติไอสติตัวนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานหรอก สติธรรมดามยังไม่มีเลยขับรถยังตั้งสติไม่ได้ขับตกถนนขับไปชนคนอื่นเขาสติปัฏฐานนี่เป็นสติที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเราพยายามมีสติอ่านจิตใจตัวเองกนะ็เท่าเราทำสติปัฏฐานแนละ้วสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น เรียกว่าเอกายนามัคตทางสายเดียวคำว่าเอกายนามัคเนี่ยแปลได้หลายแบบสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเอกายนามัคเป็นทางสายเอกสายเดียวในตำลานะแปลเอกายนามัคไว้เยอะแยะเลยเช่นเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกหรือพระพุทธเจา้าเป็นเอกเป็นทางที่ท่านผู้เป็นเอกเท่านั้นที่จะสอนได้ เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนได้เป็นทางที่เป็นเอกคือไปครั้งเดียวและไม่ต้องย้อนกลับมาทำใหม่แล้วอย่างถ้าเราพาวนานะเราได้โสดาบันเนี่ยเราเป็นโสดาบันครั้งเดียวไม่ต้องมาเป็นอีกลวนะไม่ย้อนกลับมาเป็นปุถุชนล้วต้องมาทำเป็นโสดาใหม่ไม่เป็นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเลยไม่กลับมาเป็น พระนาคามาเป็นสกีทาคาเป็นโซดาเป็นปุตุูชนอีกไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นทางที่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ต้องกลับอีกแล้วนะมีแต่รุดหน้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางนะเป็นทางสายเดียวหมายถึงว่าไม่มีทางที่สองนะเป็นทางสายเดียวนะมีความหมายได้หลายอย่างนะเป็นทางของท่านผู้เป็นเอก พระพุทธเจ้าเป็นทางที่ท่านผู้เป็นเอกเนี่ยสอนเป็นทางที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องย้อนกลับแล้วเป็นทางที่เป็นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เนี่ยคือคําว่าเอ ก, นยนกายนามัคต์แปลได้หลายอย่างแต่สําหรับเรานักปฏิบัติเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะงั้นอ้การที่ไป นั่งเพ่งอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรอกต้องทำสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตัวเองไปไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างร่างกายเราตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายนั่งไม่เห็นจะยากเลยลองพยักหน้าสิยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายพยักหน้าเนีย่ยรู้สึกร่างกายมันรู้สึกธรรมดาอย่างนี้เอง รู้สึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเรามีสตินะต่อไปเราจะมีปัญญาเราจ่เริ่มเห็นนะว่า้ร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเพราะเรารู้สึกไห้ร่างกายที่นั่งอยู่นียกำลังถูกรู้อยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่าร่างกายมันถูกรู้อยู่ลองจับมือตัวเองซิจับจับมือ สิ่งที่เราเรียกว่ามือเนี่ยไม่ใช่รูปนะสิ่งที่เราเรียกมือเนี่ยเรียกว่าบัญญัติเราจับนิ้วโป้งที่รู้สึกไหมนิ้วโป้งมันแข็งๆอย่างเงี้ยมันรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้คือรูปคำว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นบัญญัติการเจริญสติเนี่ยดูเข้าไปให้เห็นสภาวะจริงๆตัวนี้มันคืออะไรมันคือธาต คือวัตถุธาตนะุเราย้ายมานิ้วนี้นเราสัมผัสดูมันบอกไหมว่ามันคือนิ้วชี้นิ้วชี้นะคำว่านิ้วชี้เป็นสมมุติบัญญัตินะสมมติบัญญัติฝรั่งมันก็ไม่เรียกนิ้วชี้คนจีนก็ไม่เรียกนิ้วชี้คนไทยเรียกแต่เราจับจับดูนะคนจีนจับด้วยคนไทยจับมันก็เหมือนเหมือนกันคือมันเป็นวัตถุธาตุสิ่งที่เป็นรูปจริงๆก็คือตัววัตถุ ส่วนชื่อของมันผมคนเล็บฝัดหนังอะไรเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติงั้นถ้าจะดูรูปนะดูให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งไม่ใช่คนหรอกดูสิตัวนี้มันบอกไหมว่ามันเป็นคนมันบอกไหมใครเป็นคนบอกว่าเป็นคนสมมุติบัญญัติบอกว่านี่เรียกว่าคนตัวรูปจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว ร่างกายนี้มันบอกไหมว่ามันคือตัวเราถามมือซิว่ามือเอ๋ยบอกข้าเถิดเองเป็นตัวเราหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตัวเราตัวเราเป็นสมุปบัญญัินี่มันเป็นวัต ถ, ถุเป็นรูปธ ร, รรมเคยได้ยิงเขาว่ารูปนามเลยฝังแล้วน่าตกใจเติมควำว่าธรรมะลงไปแล้วไม่น่าตกใจรู้จักรูปธ ร, รรมไหมรู้จันามะธรรมาไหมก็แค่นั้นเองอ เราไปกลัวภาษาบาลีมากไปรูปธรรมเนี่ยมีรูปธรรมลองสัมผัสดูรู้สึกไหมบางที่แข็งมากบางที่แข็งน้อยตรงแข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินหลวงพ่อไม่ไม่สอนดีกว่าเรื่องพวกนี้ละเอียดเกินไปเดี๋ยวพวกเราจะมานั่งคิดว่า น, นี่ธาตุอะไรธาตุอะไรนะเลยเป็นธาตุของความคิดแทนไม่เห็นธาตุ ตัวรูปดูยากนะถ้าส่งฌานแล้วดูง่ายเนี่ยดูทีไรมันก็เป็นมือเราทุกทีนะแต่ถ้าจิตมันสงฌานมันถอยออกมาจากฌานมันตั้งมันม่นดูลงมารูปก็คือรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่นา ม, มาธรรมนะ่ดูง่ายนะเพราะงั้นพวกเราดูจิตไปรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักหลงไหมใจลอย รู้จักพงซ่านไหยรู้จักโหดหูไหมรู้จักดีใจเสียใจไหมนี่ยรู้จักเท่าไหร่อิจฉาเป็นไหมเนี่ยอิจฉาก็เป็นนะอิจฉาก็เป็นนามนธรรมเป็นความรู้สึกอันหนึ่งความรู้สึกอิจฉานะีเป็นนามนธรรมนะแต่คําว่าอิจฉาเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติกโกรธเนี่ยความรู้สึ ก, กโกรธเนี่ยเป็นนามนธรรม คนไทยกโกรธคนจีนกโกรธหมากโกรธอะไรเนี้ยอาการเดียวกันทำอย่างเดียวกันแต่ว่าสมมติบัญญัติเรงกไม่เหมือนกันคนไทยเรียกโกรธฝรั่งมันก็เรียกอีกอย่างคนจีนก็เรียกอีกอย่างนัสมมติบัญญัติดูลงมาให้เห็นถึงนามาทําจริงๆคือตัวความรู้สึกจริงๆใจเราสุข ก, ก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ ใจเราโลบโกรดหลงก็รูนะ้ใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่คอยรู้ไปเรื่อยดีใจเสียใจชอบไม่ชอบเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเนี่ยดีใจความรู้สึกดีใจเนี่ยเป็นนามธรรมคําว่าดีใจเป็นสมมุิบัญญะเงินจะมานั่งบัญญาตอนนี้ใจิตใจของเราดีใจหรือเปล่านะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ไม่เห็นสภาวะ ดีใจแล้วค่อยรู้ว่าเออมันดีใจแล้วไม่ต้องพูดว่าดีใจก็ได้รู้ทันความรู้สึกแต่มัอดไม่ได้หรอกถ้าเราดีใจให้มาเรานั่งปฏิบัติมันมีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยว่ามีความสุขแล้วจะมันจะภาคต่อสมมติบรรดาบจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเ่ยจะมาบรรยายต่อที่ใส่ใจมันมันอยากพูดก็ให้มันพูดไปห้ามมันไม่ได้จิตมันจะพูดก็ช่างมัน แต่เราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกของเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันความรู้สึกตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่มตอนดึกก็ไม่เหมือนกันนะและในความเป็นจริงก็คือความรู้สึกของเราเนียเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนทุกขณะหมายถึงอะไรขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยน ขณะทนนี่ได้ยิย icked, นเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนถ้าเราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าดูอย่างนี้ ens, <c oughs> also, ies, นะเราปฏิบัติได้ทนนั้งวันแหะเพราะว่าความรู้สึกมันมีอยู่ทั้งวัน ดูไปได้ได่อนสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้นะชั่วก็รู้ <_ d ata> เนี่ยฝ้ารู้เฝ้าดูไปรู้จักอาฆาตไหมอาฆาตความอาฆาตเนี่ยมันอยู่ในตะกูโทสะนะ <_ d ata> แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนโกรธทั่วๆไปอาฆาตคนไทยมีคำว่าคำพูดนะคศัพท์ ที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยหลายร้อยคำรู้จักคาว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจมีสภาวะไหมคนนี้เจ็บใจคนนี้เจ็บใจก็เจ็บใจอย่างเดียวกันแต่ภาษาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันคนหนึ่งบอกชีช้ำอ่ะนอะเมื่เรานะ <laughs> เจ็บใจนะมีคำพวกนี้เยอะนะสงสัย รู้จักไหมสงสัยงงรู้จักไหมงงเซิงรู้จักไหมเซิงเนี่ยเป็นเยอะนะคนยุคเราเนี่ยเซิงเยอะบางทีก็เติมชื่อสัตว์เข้าไปเลยเซิงเป็ดเซิงสัตว์อย่างเงี้นะเติมลงไปเพื่อสะท้อนว่าเซิงอย่างแรงไม่ไปดูสัตว์ไม่ค่อยเซิงเท่าไหร่หรอก สัตว์แบบนี้แหละเซิงเก่งรู้จักคำว่าเซิงใช่ไหมเนี่ยแต่ละคำนะในภาษาไทยนี้มีหลายร้อยคำหลวงพ่อเคยรวบรวมไว้นะรวมไว้เป็นปึกเลยตั้งแต่อยู่สวนโพแล้วก็มีคนไปยืมไปดูนะตั้งแต่ยืมวนะันนั้นจนป่านนี้ยังไม่มาเลยหายไปเลยเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะ เขาไปรวบรวมแทนได้ยินว่าของหลวงพ่อหายรวมได้สามร้อยกว่าคำเยอะมากนะคำที่แสดงความรู้สึกมันมีดีกรีที่ไม่เท่ากันเพราะงั้นจริงๆแล้วนา ม, มาธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องดูยากพวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้นา ม, มาธรรมตัวใดกำลังปรากฏอยู่รู้คอยรู้ เหตุตอนนี้รู้สึกมไหมส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมเนะี่อย่ามาพยักหน้าเลยเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อรู้ตอนที่หลวงพ่อถามเมืนะ่อกี้ก็เรามีความสุขคิดโน้นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะเยนะขนาะนี้เรามีความสุขอยู่แต่ความสุขเริ่มเปลี่ยนดูออกไหมความสุขของเราเริ่มลดระดับลงแล้วทีแรกสุขเยอะตอนนี้เริ่มเข้ามาสู่ความเป็นอุเบกขาแล้วเริ่มสงบเริ่มนิ่งๆเป็นกลางแล้ว ตอนนี้บางคนพัฒนามากกว่านั้นอีกจากความสุขมาเป็นกลางเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มแน่นๆละรู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรแน่นทุกทีเลยพอหลงโลกทีไรนะแหมมันมีความสุขทุกทีเลยเพลิดเพลินไปนี่เราคอยวัดใจตัวเองเหมือนมีเทอร์โมมิเตอร์มีประลอดเนี่ยเราเห็นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เวลาโทสะ ข, ขึ้นรู้สึกไหมพุ่งปลี้ดเลย เนี่ยขึ้นไปเกินร้อยแล้ว ข, ขึ้นขึ้นหัวเลยถ้าโทรษาเล็กน้อยมันกลุ่นๆอยู่ในใจความรู้สึกก็ไม่เท่ากันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันเริ่มหงุดหงิดในใจนิดๆแล้วกลุ่นๆไม่ถึงกึบงหงุดหงิดเริ่มกลุ่นๆรู้สึกไหมเคยเป็นไหมรู้สึกเป็นไหมมีความรู้สึกกลุ่นๆนิดๆนะยังบอกไม่ถูกเลยว่าจะโมโ oh หอะไรดี จะโมโหห ม, มา ห, หรื อ, มอโมโหแมวหรื อ, มอโมโหเมียอะไรอย่างเนี้ยยตอบไม่ได้ไอ้ตัวมองนั่นเลยนะหมาแมวเมียะสุดท้ายก็เมืงมองโมโหเมืองเนี่ยมันกลุ่นๆขึ้นมาก็รู้นะบางทีมันทํางานต่อขึ้นมาโกรธขึ้นมามันเริ่มแปลกความหมายได้แนละ้วไอ้ที่กลุ่นๆเ น, นี่ยนะกําลังคิดถึงเจ้าหนี้เราเจ้าหนี้จะมาแล้ววันเนี้ย ใจมันหวนหิดนะเจ้านี้เป็นที่รักไหมใครรักเจ้านี้บ้างรักตอนใจกู้ใช่ไหมกู้แล้วไม่รักแล้วไม่อยากเห็นแล้วใช่ไหมเ<ม>นี่ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใจเรากางมมาังวลมเราจะหนีมันยังไงดีวันนี้เงิ น, ะ เ, นงเดือนออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับเงินเดือนนะเจ้านี้มายึดเงินเป็นแบงค์ไม่ได้แล้วนะ จะต้องเปลี่ยนวิธียึดอย่างอื่นนะไปอายัดแบงค์ไว้อะไรไปเปลี่ยนรู้จักฟุ้งซ่านไหมเมื่อกี้กำลังฟุ้งซ่านดูออกไห่คิดถึงเจ้านี้เราฟุ้งซ่านรู้สึกไหมบางคนเป็นตัวเจ้านี้เองเรนะคิดถึงลูกหนี้่สบายใจไหมมันจะจ่ายเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยเจ้านี้ก็มีความทุกข์นะ รู้นี่ทุกมากกว่าเพะฉนั้นคอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปมันไม่ใช่เรื่องยากเรารู้สึกอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเนีย่ยถ้าเอ่ยชื่อของความรู้สึกทางใจออกมานะรู้จักทางนั้นนะดีใจเสียใจอิจฉาอาฆาตเจ็บใจสุขใจเพลิดเพลินใจ คำว่าใจต่อท้ายทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกแล้วนะสบายใจสบายใจกิมีความสุขก็ยังดีกรีไม่เท่ากันแค่สบายใจยังไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าสบายเรื่องอะไรเลยที่จริงพอลมหนาวพัดมานะคนไทยก็เริ่มสบายใจแล้วรู้สึกไหมอันนี้มันอยู่ในจีนนะคนแต่ก่อนคนไทยเนี่ยทำไร่ทำนา พอถึงฤดูที่ลมหนามาเนี่ยเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะจะได้ข้าวแล้วะจะมีความสุขก็เตรียมจะเล่นโน่นเล่นนี่ไปแล้วมีกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินนี่พวกเราก็เคยชินนะเราอยู่เมืองร้อนพออากาศเย็นๆแล้วรีแลกซ์แล้วเดือนทันวาเดือนอะไรเงี้ยวันหยุดเยอะจิตใต้สำนึกมันบอกนะ โอ้เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนใกล้เคียงเข้ามาแลนะยพอลมเย็นๆมาสบายใจรู้ว่าสบายใจคนทั่วไปพอลมเย็นๆมาก็คิดฟุ้งซ่านนะจะหาความสนุกเพลิดเพลินได้ยังไงอย่างนี้ฟุ้งไปแลเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซง ไม่ใช่ว่าต้องไม่มีความรู้สึกต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดไม่จำเป็นดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รูน้นี่รู้อย่างนี้ไปดีใจเสียใจอะไรก็รู้ไปแค่นี้แหละทำได้ไหมยากไหมเสร็จแล้วสมาธิจะเกิดเองหลวงพ่อเคยเป็นนะนั่ง ไม่ได้เจตนาทําอะไรหรอกมันคลุ้มใจเปียกฝนมาคลุ้มใจว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดนั่งกอดเขา่าอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นสติมันระลึกรู้รู้ว่ามันกังวลใจเห็นความกังวลใจพอเห็นความกังวลใจความกังวลใจดับปุ๊บเลยจิตรวมเลยจิตรวมลงไปโลกาธาตุนี่หายไปเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียว ความรู้สึกที่จิตที่เหลือนี้เดียวเลยเหลือบางเฉียบเลยแทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่าไม่ขาดสติก็ไปเล่าให้หลวงปูดงงป่ดูลฟังหลวงปู่ดูลเบอกจิตมันเข้าสมาธิสมาธิลึกด้วยที่มันเข้าหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมนั่งดูจิตหลวงปู่บอกว่าการดูจิตนั้นมันจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติ งั้นเราดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่เรียกเราเจริญปัญญาดูเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจไปเป็นการเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งสมาธิจะเกิดเองนี่คือเส้นทางที่ใช้ปัญญานําสมาธิเหมาะกับคนยุคเราอย่าเอาสมาธินําปัญญาสมาธิไม่เกิดสักทีเพราะมีแต่ความฟุ้งซ่านงั้นเราทําสิ่งที่เราทําได้นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้านะ จิตตานุปัสสนาก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใหม่ที่หลวงพู่ดูลคิดขึ้นเองหรือหลวงพ่อคิดขึ้นเองหลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดุลเรียนมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลดูจิตแล้วจริงๆมันก็อยู่ในพระไตรปิฎกคือจิตตานุปัสสนาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเดี๋ยวก็ยองโน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ดูไปแล้วสมาธิก็เกิดเองน ศีลเราดีต้องรักษาศีล น, นะศีลดีจเจริญปัญญาไปสมาธิเกิดไปมรรคผลก็เกิดไม่ยากอะไรทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องดิ้นรนอยากทำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีปัญญาจะทำอย่างจะนั่งสมาธิแล้วไปเดินปัญญาทำไม่ได้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ